ปฏิบัติปฏิเวศในหลักธรรมปริยัตยคือการเราเรียนศึกษาในเมื่อเราเรียนศึกษาได้ก็ลงมือปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วก็คือปฏิเวศคือผลแห่งการปฏิบัติอันนี้คือว่าปฏิเวทถ้าเราถ้าเราจะเปรียบเทียบ เ, เป็นหลักวิชาการกับพวกเราการะบวะปริยัตยเหมือนกับพวกเราเรียนหมอ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 แล้วว่ากฎหมายเราเรียนจบแล้วเราก็นํากฎหมายมาใช้มาเป็นทนานายความมาเป็นพิพากษาอายการใช่อันนี้ก็คือปฏิบัติลงมือปฏิบัติส่วนปฏิเวทเผลแห่งการปฏิบัติคือเรา เ, เรียนวิชาหม อ, อแล้วก็นํามารักษาคนไข้แต่ละผลของการรักษาคนไข้ก็คือเงิน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 ศีล ส, สมาธิปัญญานํามาประพฤติปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติคือมรรคผลที่พวกเราจะได้รับคือพระโสดาภะพระสกทาคาพระอนาคาคาพระอรหันต์อันนี้ก็คือผลแห่งการปฏิบัติเราได้รับมรรคผลอะไรนี่แหละอันนี้เรียกว่าผู้อยู่ข้างในจะต้องได้เรียนจะต้องได้ศึกษาทะนั้นเมื่อได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็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 ก็คือมัคมคคะก็คือหุนทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจากัมมันโตอชีววายโมสติสมาธิคือมัคแปดเข้ามาแก้พอมาแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วคือนี่รธคือความดับทุกข์เพราะมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจพวกเราอันนี้อันนี้ก็คือถ้าจะบอก อ, อริยสัจสี่ ทุกสมุทัยนิโรธมักถ้าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังว่าทุกเนีย่ยคืออะไรถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธปรรมก็คือหนามปักเท้าของเราหนะน้าหนามปักเท้าของเราอันนี้คือทุกเนี่ว่ากามัธนาระวะตัณหาเนี่ยมันมาปักหวัวใจของเราหรือปักเท้าของเราทำให้เราทุกแต่ี้เมื่อเรามีทุกแล้วไง อ, อริยสัจจทุก สมุทัยเอยสมุทยคือเหตุให้เกิดทุกข์น่งคือน้ำน้ำมันมาตับเท้าของเรามันเป็นเหตุเอมันเป็นเหตุซะก่อนมาตําเท้าของเราเราก็ทุก์ในเมื่อน้ำตําเท้าของเราเราก็เอาเข็มมาบ่งใช้เข็มหรือใช้มีดผ่าออกที่มันเป็นของใหญ่ก็ต้องใช้มีดผ่าถ้ามันเป็นเล็กก็ใช้เข็มบ่งออกเข็มนั่นแหละคือมัดในเมื่อเราบ่ง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 ตั้งไข่แต่พี่เลี้ยงก็ตายไปเสียแล้วก็ผมมานึกถึงจุดนี้ข้าพระองค์เสียใจอย่างมากไม่รู้จะทํำยังไงพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์เพียงแต่ได้สําเร็จพระโสดาบันเท่านั้นพระองค์บอกว่ า, า, า, วา ด, ดูก่อนอาน o ์เธอปฏิบัติเราตถาคตไม่มีที่ตําหนิเพราะพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตที่ผ่านมาท่านก็ปฏิบัติอย่างอาน o ์ปฏิบัติกั บ, กบเราตถาคตนี่แหละ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 ใครข้าว่าองค์ที่กับเบี่ยงใส่องค์นั้นมาด้วยองค์ที่สองเพราะองค์ที่สองท่านก็จะเป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกันเพราะเป็นพระอรหันตั้ง <Reaper, S 1> ถึงเนนน้อยแลยนะ้วนั่นสาองค์เป็นพระรอรหันต์แต่หัวแถวจนถึง Draw เนนน้อยท่านไปหาองค์ที่สององค์ที่สองกับเบี่ยงไปหาองค์ที่สองค์ที่สามเบี่ยงไปหาองค์ที่สอ่ใครข้าว่าลงไปตลอดท่านก็ยอมโปรธิรัตน์พระเทระผู้ใหญ่ยอมจ้อไปถึงเนนน้อย ไปถึงเนรน้อยไปถามเนรน้อยอพระเถระทะ่านก็อโอ้ยเนี่ยสั ม, มเนรเขาเก่งนะถามเขาได้เลยรู้หมดทุกอย่างเอาเถอะอาจารย์ไปสอนไปเรียนกับเนรน้อยก็ได้ออาจารย์ก็ยอมเอาได้เอาไปหาเนรน้อยอสัมมาเนรสอนผมด้วยเถอนสอนธรรมะให้กับผมนะสัมเนรสัมมเนรผ ม, มนนกา อ, อาจารย์อาจารย์ก็เรียนทางพระปริยัติมาก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 ตัวเงินตัวทองตัวหนึง่งมันออกหากินแต่มันอาศัยจอมปลวกตัวนี้ละ่ะมันออกหากินในรูต่างๆมีอยู่ห้ารนะูเนี่ยตัวนี้มันมีอยู่ห้ารูออรูออกหากินของมันครั้งนี้มันออกทางหนงึ่งทางหนงมันก็ออกรูหนึง่งออกมันออกรูหนึง่งมันออกหากินอาจารย์ให้สังเกตและอาจารย์ปิดรูอีกสี่รูนั่นน่ะ อปิดสี่รูแล้วก็อาจารย์ขุดเจาะเข้าไปรูใดรูหนึ่งตามเข้าไปเออมันไม่มีที่ออก่เฮียตัวนั้นมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอาจารย์ก็จับเฮียรหรือจับตัวเงินตัวทองนั้นได้ไดอาจารย์ง่ายได้จับเข้าไปเนี่ยอยู่ได้อาจารย์เข้าใจไหมที่ผมพูดอาจารย์โปทิรัตเข้าใจเข้าใจสมัมมานเิเขาเข้าใ เ, าเข้าใจไปอาจารย์ไปภาวนา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 หลวงพ่อได้กล่าววันนี้ก็เป็นแนวทางให้สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในแนวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแนวทำคําสอนของพ่ อ, พ อ, พ อ, พ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างจริงองค์หลวงตาของพวกเราและตอนนี้ไปให้เปิด MP3 มานะัทีนี่นะเอ็มพีสให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังฟังของหลวงตาอีกทีหนึงนะ